ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมาราพิรุิตะอมาโรโเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรัชนาต่อไปจะเป็นสุดทิกะปาจิตตี92สิกขาบทจากพน า, นาในสิกขาบทแห่งสุดทีกะปาจิตตียาปัต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 เห็นหรือหาไม่และสันสีส่าว่าไม่เห็นก็ดีพูดด้วยวาจาก็ดีเป็นอาบัติปาจิตตีทิกสุกล่าวปดเพื่อจะอวดอุตริมนุสธรรมต้องปาราชิกกล่าวปดเพื่อจะโจทยิสุอื่นด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลต้องสังขาธิเศษกล่าวปดเพื่อจะโจทยิสุอื่นด้วยอาบัติสังขาธิเศษไม่มีมูลต้องปาจิตตีกล่าวปดเพื่อจะโจทยิสุอื่นด้วยอาจารวิบัติ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 ไม่ทราบดยใจว่าทราบก็ดีดังนี้ต้องปาจิตตี ด, ด้วยสิกขาบทนี้จตองพูดบทนี้ต้องอาบัตตั้งแต่ปา ร, ราชิตจนทั่งถึงทุกกฎเลยนะด้วยอาการต่างๆตามสิกขาบทไม่ทันไตรตรองกล่าวเร็วไปก็ดีจะกล่าวคําอย่างอื่นและไปกล่าวคําอย่างหนึ่งไปก็ดีคาดจากจริงไปกล่าวเร็วเกินไปหรืว่าพิสูจเป็นบ้าเหล่านี้ไม่เป็นอาบัตพูดพลาดก็ไม่เป็นอาบัติ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 ความว่าภิกจุกล่าวเสียดแทงด่าว่าพิกูเอ่นผู้ต้องประราชิกหรือไม่ต้องก็ตามด้วยสําคัญว่าเป็นพิจุอยู่กล่าวด้วยกายและวาจาไม่อ้างผู้อืน่นด้วยอโกสวัตถุสิบอย่างก็คือเรื่องที่เอาไว้สําหรับดาอย่างใดอย่างหนึ่งจริงก็ตามไม่จริงก็ตามเป็นปาจิตตีอาโกสวัตถุนั้นคือชาติทีเลวและอุ ก, กฤษชาติจันทาน ชาติช่างไม้ชาติช่างทาชาติช่างศารชาติป่าเนื้อชาติช่างรถชาติคนเทดอกไม้เป็นชาติต่ำชาติกษระสัดชาติพรามเป็นชาติอุกฤษด่าทั้งชาติตามก็ได้ด่าทั้งชาติอุกฤษก็ได้ยกมาด่าได้ทั้งนั้นนะนะก็บัดปายจิตตีหมดส่วนชื่อหรือนามคือชื่อทีเลวและชื่อที่อุกฤษชื่ออวักกันนกะเป็นต้น และชื่อที่เขาเยอยยันในประเทศนั้นๆเป็นชื่อที่เลวชื่อประกอบด้วยพุทธธ erm exactly รรมสังฆะที่เขานับถือในประเทศนั้นๆดังชื่อว่าพุทธรักขิตะธรรมรักขิตะหรือว่าสังฆรักขิตะเป็นชื่ออุกฤษเป็นชื่ออันดีอรมดากันก็ได้ส่วนโคตก็คือแท่หรือนามสกุลที่เลวเนี่ยนะและอุกฤษโคตที่เขายอยยันในประเทศนั้นๆดังโกติยะโคตภารัตวชัโคตเป็นโคตเลว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 ศิลปะก็คือศิลปศาที่เลวและอุกฤษความรู้ที่เขาเยอยหยันในประเทศนั้นๆดังช่างไม้รวปช่างหม้อช่างหูช่างหนังช่างกระบกเป็นศิลปะเลวความรู้ที่เขานับถือในประเทศนั้นๆดังวิชาคะเนวิชานับวิชาเลขเป็นศิลปะอุกฤษอาพาสก็คือโรคโรคต่างๆทั้งปวงเป็นของเลวทั้งสิน้นก็แต่โรคชื่อว่ามทุเมหะมีน้ําปัสวะหวาน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 อาบัตก็คือส่วนที่จะพึงถึงพึงต้องมีปา ร, ราชิตเป็นต้นอาบัตทั้งปวงก็เป็นของเลวทั้งสิ้นก็แต่ว่าโสดาบัตและสมาบัตแปด 8, เป็นอาบัตแบบอุกฤษถ้าจะเอาแบบชื่อนะแต่ไม่ใช่อาบัตเจ็ดกองนะโสดาบัตเป็นการต้องกระแสของความเป็นพระโสดาบันทูเทนิพานเป็นครั้งแรกสมาบัตแปดก็ได้แก่พวกฌานทั้งหลาย อโกโสะก็คือคำด่าที่เลวและอุกฤษด่าว่าไอ้อูดไอ้แพะไอ้วัวสุกติของเองไม่มีทุกติเองจะต้องจำหนงและคำด่าประกอบด้วยยะพระอัดสรและปุริสนิมิตและอิทีนิมิตนี้เป็นคำดา่าเลวด่าว่าเจ้านักปราเจ้าชราเจ้าปัญญาเจ้าผู้ิสูตรเจ้าธรรมะกระทึกทุกติท่านไม่มีนีแต่สุกติอย่างเดียว นี้เป็นคำด่าแบบอุกฤตเป็นอกโกษาวัตถุสิบอย่างดังนี้พิกตุหมายจะให้พิจตุด้วยกันได้ความอดสูคือได้ความละอายและด่าพิกตุนั้นที่มีชาตินักโคษเป็นต้นที่เลวและอุกฤษอย่างใดอย่างหนึง่งด้วยอกโกษาวัตถุอันเลวและอุกฤษจริงก็ตามไม่จริงก็ตามไม่เปรียบเลยด่าตรงตัวว่าเจ้าตระสัตเจ้าพราหมณ์เป็นต้นดังนี้เป็นปาจิตตีทุกทุกคำ ถ้าด่าเปรียบเลยว่าคนบางจําพวกในโลกนี้เป็นจันทาน์เป็นพรานก็มีอยู่เป็นต้นดังนี้ก็ดีและกล่าวเสียดแทงด่าว่าอนุสัมบัญโดยตรงก็ดีและด่าว่าเปรียบเลยไม่ตรงก็ดีทั้งพวกนี้เป็นอบัติทุกกฏทุกทุกคำถ้าด่าตรงๆแต่พระพิสุอบัติประยิติถ้า ด, า ด, ากก ด, าด่าโดยอ้อมแต่พิกสุอบัตทุกกฏด่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแต่อนุสัมบัญก็อ ბ ัตทุกกฏหมด ที่ตุไม่หมายจะดา่าให้ได้ความอัปยศหวังจะเย้าหยอกเล่นและพูดเย้าหยอกอุปสัมบัติและอนุสมบันิจะเป็นที่ตุหรือว่าส ม, มนเนรหรือว่าขรัตกรตามโดยตรงหรือว่าเปรียบเทยด้วยอัปโกสัตถุมาในบาลีและไม่ได้มาในบาลีว่าเจ้ากษัตริย์เจ้าพราหมณ์เจ้าเดียรชานเจ้านักปราดเจ้าไทยเจ้าลาวเจ้าโจรเจ้าขโมยเป็นต้นดังนี้ต้องอบัตทุกภาสิตทุกๆคํา คือถ้าพูดด่าด้วยโทสะบุรจิตก็บัตรปายิตติถ้าพูดล้อเล่นหยอกเย้ยด้วยโลภะเอาคำด่ามารล้อเล่นล้อเล่นด้วยโลภะอันนี้ก็อบัตทุภากิตไม่ว่าจะเป็นพิกจูหรือว่าพฤหัสก็แลแต่จะดูสมบัติหรือนุสสมบันิแต่ถ้าด่าด้วยจิตโกรธด่าพิกจุอบัตปายิตติด่าอนุสสมบันิก็บัตทุกฏพิจุไม่หวังจะด่าไม่หวังจะเยา้าหยอกแต่ว่าทําอัถฐทำธรรมะ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 ข้อที่สามผู้ต้องดา่ารู้ว่าเขาด่าเราคนถูกด่าก็รู้ความด้วยข้อที่ห้าไม่ได้ทำอัฏถธรรมะคำสอนไว้เป็นเบื้องหน้าจะประสงค์จะด่าให้ได้อายนี่แหละพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นปาจิตตีสมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนอัินาทานสิกขาบทแต่ในสิกขาบทนี้เป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวมีสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตใจวาจาจิ ต, าจาจตเป็นกิริยาสัญญาบิโมเป็นสัจจิกะเป็นโลกะวัชชะ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 ถ้าบอกคําแห่งพิจุผู้กล่าวเสียสีดาว่าปเปรียบเกยไม่ตรงแต่พิจุผู้ต้องด่าหรือนําเอาคําด่าแห่งอนุสัมบันธ์บอกแกอุปสมบันิพอดีแก่อนุสัมบันธ์พอดีหรือนําเอาคําด่าแห่งอุปสมบัติบอกแก่อนุสัมบันธ์พอดีอย่างนี้เป็นทุกกฎต้องเอาคําด่าของพิจุไปบอกกับพิจุถึงต้อบัตรปฏิทีถ้าเอาคำด่างพิกจุไปบอกอนุสัมบันธหรือเอาคําด่างอนุสัมบันธ์ไปบอกพิกจุผู้เป็นอนุปสมบันิเนี่ย หรือว่าคำาองอนุสัมพันธ์ไปบอกกับอนุสัมพันธ์ด้วยกันคือพวกสั ม, มนเมมนยหรือว่าพวกขรัตด่ากันแล้วก็พิกโตเอาไปบอกครับสัมมาเนยู่ว่าขหัตอย่างนี้ก็ต้องอบับบทถูกกฎเท่านั้นในสุขาบทนี้แม้พิกษุนีก็ตั้งอยู่ในที่เป็นอนุสัมพันธ์พกิกโตไม่หวังจะให้ผู้ต้องด่ารักตัวหรือไม่ปรารถนาจะให้เธอทั้งสองแต่กันและกล่าวติเตียนคนชั่วอย่างเดียว และพิกูุบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัติสิกขาบทข้อนี้พิกจุนีก็เป็นอนุสมบัติของพิกูจด้วยแต่บางสิกขาบทภิจุนีก็เป็นอุปสมบัติกับพิกูุข้อนี้เป็นอนานติกะมีองค์สามอนานติกะหมายถึงว่าไปสั่งบังคับเขาแล้วก็ไม่ต้องอบัติในข้อนี้คนที่ไปทําก็ต้องอบัติเองก็มีองค์สามคือข้อที่หนึ่ง ได้ยินพิจุด่าว่าด้วยอากโกตวถุมีชาติเป็นต้นไม่อ้างผู้อื่นแล้วนําเอาไปบอกแก่พิกจุผู้ถูกด่าข้อหนึ่งข้อที่สองหวังจะให้ผู้ถูกด่ารักใคร่ตัวหรือว่าให้เธอทั้งสองแตกแยกกันอย่างหนึ่งข้อที่สามผู้ถูกด่านั้นรู้ความด้วยพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นปาจิตตีสมมุิฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอาธินาทาน ก็คือสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นสจิตตกามีจิตหมดเลยทั้งสามองนี้ก็เป็นสัญญาวิโมกเป็นโลกะวัชชะเป็นกายกรรมวัชีกรรมเกิดเพราะการกระทำเป็นกิริยาแ ล, แล้วก็มีจิต3ามีเวทนาสามด้วยต่อไปในสิกขาบทที่สี่ปะะโศ ธ, ธรรมสิกขาบทความว่า ทิคตูดสอนให้อนุสัมบัญเรียนธรรมโดยบทเป็นปัจจิตีก็คือให้ว่าพร้อมกันนั่นเองบทก็คือบาทแห่งคาถาอันหนึ่งดังคําว่าอาเสวนาจะบาลานังหนึ่งอนุบทก็คือบาทที่สองนะอนุบทก็คือบาทที่สองก็ได้แก่ปันนิตา น, านจะเสวนาตัวนอันวัคคะระอันวัคคะระก็คืออนุอัคคระนั่นเองอนุอัคระ คืออักษรตัวต่หนึง่งดังคําว่ารูแล้วก็ตัวปังรูคำหนึง่งปังคำหนึง่งอันนี้เรียกว่าอันวัคคะะหรือว่าอนุอักษะส่วนอนุพยัญชนะคือพยัญชนะหลังเหมือนกับพยัญชนะก่อนเช่นอนิจจังอนิจานี้เรียกว่าอนุพยัญชนะสี่อย่างนี้ชื่อว่าโดยบทคือเป็นส่วนให้เกิดอาบัติ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 บทที่แรกชื่อว่าบทบทที่สองดังคำว่าเวทนาอนิจจาชื่อว่าอนุบทิกตุเมื่อสอนธรรมที่ผูกเป็นคาถาว่าอาเสวนาจะบาลานังขึ้นก่อนแล้วสามนเณรหรือว่าครุฑหัด ก, ก็ว่าตามทิกตุว่าพร้อมกับสามนเณรอีกทีหนึ่งว่าอาเสวนาจะบาลานังขึ้นพร้อมกันจบพร้อมกันอย่างนี้เป็นปาจิตตินับด้วยบท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 ชื่อว่าตั้งขึ้นตามกันแต่ว่าจบลงพร้อมกันอย่างนี้ก็เป็นปาจิตตินับด้วยอนุบทเหมือนกันพิสุตสอนสามเณรให้ว่ารูปังอนิจังสามเณรกล่าวแต่ตัวรูขึ้นพร้อมกับพิษุพิสุกล่าวไปจนจบอย่างนี้ก็เป็นปาจิตตินับด้วยอันวอัคระนับด้วยอนุอัคระว่าแค่รูตัวเดียวกับบัตเหมือนกันในนี้ย่อมได้แม้ในบาลีที่ผูกเป็นคาถาด้วย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 สาวกภาสิตบาลีที่สาวกเนื่องในบริจัตสี่กล่าวดังอนังคณะสูตรตมาทิฏฐูตรเป็นต้นอย่างหนึ่งอิสิพาสิทบาลีอันฤูษีปริพาชกภายนอกกล่าวดังปริพาชกวัตทั้งสิ้นและโสระสะปุจฉาเป็นต้นอย่างหนึ่งเทวตาภาสิทธก็คือบาลีที่เทวดากล่าวดังเทวตาสังยุตเทวปุตตสังยุตเป็นต้นอย่างหนึ่ง พาสิตสี่นี้ปรกอบด้วยอัฏฐะและธรรมะอาศัยพระนิพพานแสดงพระนิพพานในอุปสัมบัทเป็นติกะปะจิตติเพราะนั้นก็ภาสิตสีอย่างนี้นะเมื่อพระพุทธเจ้ารับรองแล้วก็ชื่อว่าเป็นพุทธพจน์นั้นแหละเพราะฉะนั้นนำมากล่าวสอนแก่อนุนสมบัตก็เป็นติกกะปาจิตติจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะหรือว่าสงสัยก็ตามก็เมื่อกล่าวสอนว่าพร้อมกันก็เป็นปาจิตติ เป็นอนุสัมพันธที่ถูกสําคัญว่าเป็นอุปสัมพันธหรือว่าสงสัยอยู่แล้วก็สอนทำเป็นทุกข์กฎถ้าสงสัยคจริงแล้วเป็นอนุสัมพันธนะ์อ่ะแต่สงสัยแล้วสอนก็อบัตทุกข์กฎก่อนแหละเมื่อเป็นอนุสัมพันธแล้วก็สอนได้ว่าเพระเมืรุยิงก็อบัตปฏิจิ ต, ตีเรียนบาลีสาธยายบาลีด้วยกันกับอนุสัมพันธ์และเรียนบาลีในสํานักแห่งอนุสัมพันธกล่าวพร้อมกันก็ดีอันนี้ไม่เป็นอะไร ถ้าอนุสมบัตมีความรู้พิจูเตเรียนว่าพร้อมกันนี้ไม่ไป็นไแต่ถ้าพระพิจุสอนอนุสมบัตมาเรียนแล้วก็สอนให้ว่าพร้อมกันนี้ต้องระบาปฏิเจติท่องสวดัมภีร์ที่คล่องอยู่โดยมากด้วยกันหรือสามเณรฆ่าพิกษุบอกว่าจงว่าอย่างนี้แล้วว่าขึ้นพร้อมกันและพิจุเป็นบ้าเหล่านี้ไม่เป็นอาบัต่สามเณรพูดผิดพระพิกษุก็บอกว่าจงว่าอย่างนี้แล้วก็ว่าขึ้นพร้อมกัน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 เป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกอาจิตกะปันติวัชะไม่มีเจตนาก็เป็นอบัติงนันแล้วก็เป็นวจีกรรมเท่านั้นนะแต่วาจาขวาจจตมีจิตสามมีเวทนาสามก็คือกุศลจิตอกุศลจิตอัิญญาคตจิตเพราะว่าสามเณรว่าพร้อมกันอบัติหมดเวทนาก็เป็นทั้งสุขสมนัตเป็นสุขเป็นทุกขเป็นอุเบกขาได้ทั้งนั้น สิกขาบทที่ห้สาสหาสยญาิสิกขาบทความว่าพิศุดายาำเร็จการนอนคือเหยียดกายในเตนาตนะที่มุงหมดบังหมดหรือว่ามุงมากบังมากมีอุปจาระอันเดียวกันในขณะเดียวพร้อมกันหรือว่าก่อนและหลังกับอนุสัมบันย์ยกแต่พิศุเสียโดยทีุ่ดแม้เป็นเดรฉาน มีทวารเป็นวัตถุแองปาราชิกได้ยิ่งกว่าสามคืนเป็นปราจิตีนับแต่คืนที่สี่ไปเสนาสนะแม้บังด้วยเครื่องบังมีกำแพงเป็นต้นไม่จดหลังคาสูงเพียงสอกคืบรอบไปสูงโดยสอบคืบโดยรอบนีนะให้พึงรู้ว่าเป็นเสนาสนะบังทั้งหมดแค่สูงเพียงสอกคืบ ร, บรอบๆนี่ก็ชื่อว่าเป็นเสนาสนะบังทั้งหมด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 ในวันที่สี่เมื่ออาทิตย์อัสดงคดไปแล้วอนุสัมบัตินอนอยู่ก่อนและจะปิดประตูห้องหรือไม่ปิดก็ตามแล้วนอนลงหรือเธอนอนอยู่ก่อนแล้วอนุสัมบัตินอนลงเธอไม่ลุกขึ้นเสียก็ดีต้องอาบัติปาจิตตินับด้วยประโยคที่ลุกขึ้นและนอนลงแห่งตนคือลุกขึ้นหลายครั้งนอนลงหลายครั้งก็ต้องอาบัติหลายตัวแอนุสัมบัติทั้งสองนั้น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 เสนาะสนะมุงครึ่งบางครึ่งมุงหมดบางน้อยมุงมากบางน้อยบางหมดมุงน้อยหรือว่าบังมากมุงน้อยเหล่านี้เป็นวัตถุแห่งทุกกฎต้องมุงทั้งหมดบังทั้งหมดหรือว่ามุงมากบังมากถึงจะเป็นปัจจิตีถ้าตั้งแต่มุงมากบังครึ่งลงไปอันนี้ก็เป็นวัตถุแห่งทุกกฏเสนาะสนะ มุงหมดแต่ว่าไม่บังเลยหรือว่าไม่ได้มุงเลยบังทั้งหมดก็ตามหรือไม่ได้มุงโดยมากไม่ได้บังโดยมากเหล่านี้เป็นวัตถุแองอนาบัตก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดจะลาลงโลกไม่มีฝาปิดเลยบุงทั้งหมดนี้นอนร่วมอนุสมบันธ์จนสามคืนก็ไม่เป็นนาบัตนอนหย่อนกว่าสองคืนสามคืนหรือว่าในคืนที่สามออกเสียก่อนอารุณ์แล้วจึงอยู่ไปอีกและในคืนที่สามอนุสัมพันธนั่ง พิกสุนอนหรือพิกสู่นั่งอนุสมบัตนอนหรือว่านั่งด้วยกันทั้งสองก็ตามแล้วอยู่ต่อไปอีกถ้ารุกขึ้นก่อนอรุณนี้ก็อยู่ไปได้กี่คืนก็ได้เกินสามคืนไปก็ไม่เป็นอะไรรุกขึ้นก่อนอรุณแล้วก็พิกสุเป็นบ้าเหล่านี้ไม่เป็นอาบัตติกะ บ, บทตอนี้ก็เป็นอนานาติกะมือการใช้ไปนอนร่วมการนุสมบัตเกินสามคืนก็ไม่เป็นอาบัติมีองค์สามก็คือเสนาสนะเป็นวัตถุแห่งปารเจตีก็คือ บุงหมดบางหมดหรือว่าบุงน้อยมากบางน้อยมากแล้วก็ข้อที่สองนอนกันอบอนุสัมปันในเสนาธนนานั้นที่สามอาทิตย์อาจจะดงคตรับไปในวันที่สี่ตรงนี้ต้องอับัับพร้อมในองค์สามนี้เป็นอับดับพจิตติสิกขาบทนี้เป็นเอลกคโรมะสมุทฐานสมุทฐานเหมือนกับเรื่องของขนเจียมก็คือมีสมุทฐานสองเกิดแต่กายอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดแตกกายจิตอย่างหนึ่งในกิริยาเพราะมีการกระทําคือการนอน โนสัญญาวิโมกอจิตกะแม้ไม่รู้สิกขาบทไม่มีเจตนาจะนอนก็อาบัตตัมนักติว ช, ชา้ามีโทษทาพรบัญญัติแล้วก็เป็นกายกรรมเท่านั้นนะนิจิตตามเมตนาสามต่อไปสิกขาบทข้อที่หกคือทุติยะสหใสยะสิกขาบทความว่าทิศตุใดเมื่ออาทิตย์อัสดงคตแล้วสำเร็จการนอนในเส น, นาสนะดังกล่าวแล้ว ในสิขาบทก่อนด้วยมาตุคามคือเป็นหญิงมนุษย์แม้เกิดในวันนั้นเป็นปาจิตตีวินิจฉัยทั้งปวงเหมือนในสิขาบทก่อนแปลกแต่เพียงกําหนดราตรีในสิขาบทก่อนเป็นอบัตในคืนที่สี่ในสิขาบทนี้เป็นอบัติแม้แต่คืนที่แรกก็คือพอหลังสัมผัสพื้นมีหญิงนอนอยู่ก่อนหรือว่าที่คุณนอนอยู่ก่อนหญิงนอนที้หลังก็ตามหลังสัมผัสพื้นก็เป็นอบัตปาจิตตีลนะ หญิงยักษ์หญิงเปรตรูปปรากฏและบรัน덧เิรชาตโตเมียเป็นวัตถุแห่งเมทุนได้เป็นวัตถุแห่งทุกกฎในสิกขาบทนี้ถ้าเป็นพวกหญิงยักษ์หญิงเปรตพวกบัน덧เิรชาตโตเมียที่เป็นนิทวานเป็นวัตถุแห่งเมทุนได้เป็นแค่เพียงทุกกฎนอนด้วยจนถึงคืนที่สี่ให้เกิดปาจิตตีด้วยสึกขาบทก่อนแม้เป็นวัตถุแห่งทุกกฎซะจริงแต่ว่านอนเกินวันที่สี่ไปก็เป็นอบัติปาจิตตี ในการนอนด้วมกัรรูส้สัมพันธ์เกินสามคืนจบสิกขาบทที่หกสิกขาบทที่เจดธรรมเทศนาสิกขาบทความว่าพิกสุใดแสดงธรรมมีลักษณะดังกล่าวแล้วในปะะโสธรรมะสิกขาบท น, น, นั้นก็คือธรรมะที่เป็นพุทธภาสิตสาวกพาสิตอิสิภาสิตเทวตาภาสิตเนี่นะแต่ว่าไปแสดงกับมาตุคามที่เป็นหญิงมนุษย์ที่รู้คําดีคําชั่วยและคำหยาบไม่หยาบ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 บาทแห่งคาถาอันหนึ่งเป็นคําหนึ่งคําหนึ่งนี้หมายถึงบาทหนึ่งให้พึงรู้ประมาณคําในคําทั้งปวงดังนี้แหลในมาตุคามเป็นติกกะปจิตตีไม่ใช่หญิงพิสูจน์สำคัญว่าเป็นหญิงหรือดูว่าสงสัยอยู่หรือแสดงธรรมแก่หญิงยักหญิงเปรตและบัน덧ดดและเดรชนตัวเมียที่มีกายดังมนุษย์เหล่านี้เป็นทุกข์กฏิสูจแสดงธรรมเพียงหกคาหรือว่ายอนว่าหกคา หรือบุรุษมีลักษณะดังกล่าวแล้วอยู่ด้วยหรือพิจูุลุกขึ้นเองแล้วกลับนั่งลงแสดงไปอีกหรือหญิงลุกขึ้นนั่งลงอีกพิจูุแสดงต่อไปหรือแสดงแก่หญิงคนอื่นต่อไปหรือพิกจุถามปัญหาหรือหญิงถามปัญหาก็ตามพิกจุแก้ปัญหาก็ดีหรือพิกจุแสดงทมเพื่อคนอื่นอยู่หญิงมานั่งฟังอยู่ด้วยและพิจุบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอาบัตเลยนะอ่า การแสดงกับคนอื่นหญิงมาฟังก็ไม่เป็นไรสิกาบคนนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้แสดงธรรมการมาตุคามก็คนใช้ไม่เป็นคนแสดงเป็นมีองค์ห้าคือแสดงธรรมมีลักษณะดังกล่าวแล้วยิ่งกว่าหกธรรมคอที่หนึ่งนะองค์ที่สองก็คือมาตุคามมีลักษณะดังกล่าวแล้วก็คือเป็นผู้ที่รู้ความได้เป็นหญิงมนุษย์องค์ที่สามก็คือไม่เปลี่ยนอิริยบทองค์ที่สี่ไม่มีชายผู้รู้ความอยู่ด้วย องที่ห้าใช่การวิสัชนาปัญหาพร้อมด้วยองหานี้จึงเป็นปาจิตีนั้นผู้หญิงถ้ามีมีผู้ชายอยู่ด้วยแล้วก็ป้องกันสกขาบทข้อนี้ก็คือถามปัญหามาทุกคัก็ถามปัญหาแต่ว่าเป็นบาลีนะเป็นบาทะถาเพราะนั้นถ้าถามภาษาไทยหรือว่าพิกปแสดงทำเป็นภาษาไทยนี่ก็ไม่เข้าองกันแต่ว่าถ้าเกิดําเกียจก็ไม่ควรที่จะแสดง สมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปะละโสธรรมะศิขาบทแรงแต่ศิขาบทนี้เป็นกิริยากิริยะต้องเพราะทมแล้วก็ไม่ทำด้วยเกิดแต่การทำคือแสดงเกินหกคำเกิดแต่การไม่ทำคือไม่เป็นยนเยริบทด้วยปะละโสธรรมะก็คือเป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกแต่ว่าทั้คอนี้แสดงทำมาเทศนาบผู้หญิง น, นี่เป็นทั้งกิริยาแล้วก็กิริยา โนสัญญาวิโมกอาจิตตกะปานนติวัชชาเป็นวัชีกรรมมีจิตสามเวทนาสามสมุทฐานสองก็คือวาจากับวาจาจิตเป็นอจิตตกะนะต่อไปข้อที่แปดในภูตะโรจนะสิกขาบทที่แปดบอกอุตริมนุษย์ธรรมแกอนุสมบันที่มีจริงเลนะเท็กตูดบอกอุตริมนุษยธรรมมีฌานเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในตนจริงแกอนุสมบัต ไม่ใช่พิจุไม่ใช่พิกษุณีแล้วนอกนั้นก็เป็นอนุสัมบันฑิตารประข้อนี้พิกจุณีก็เป็นอุปสัมบันฑของพิกจุเป็นปาริจิตติเพราะอุตรินุสธรรมที่มีจริงสมุทฐานข้อ น, นี้ก็เป็นภูตาโรชนะสมุทฐานมีสมูตรฐานสามก็คือกายอย่างหนึ่งวาจาอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาไม่มีจิตปนเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอาจิตตกะหละเป็นกิริยาเพราะมีการบอกโนสัญญาวิโมก แล้วก็ปัญติวชะกายกรรมวจีกรรมนะมีจิตตองก็คือกุศลจิตกับอัพญญตจิตพระอรหรันต์ก็ต้องอบัตคอนี้ได้เพราะว่าเป็นอุตริกุทธรรมที่มีจริงเวทนาสองก็คือสุขกับอุเบขาต่อไปที่เก้าสิกขาบทที่เก้าทุตุลลารโรจนะสิกขาบทความว่า ทิศสุดายบอกอบัต์ชั่วยาแผงพิจุแก่อนุสัมบัติทั้งวัตถุดังนี้ว่าทิกตุนี้ก็แลงให้อสุจิเคลื่อนต้องสังกาทิเสสาบัติดังนี้เป็นต้นต้องปาจิตติเว้นไว้แต่พิจุที่ได้รับสมมุติคือสงกำหนดที่สุดอาบัตอย่างเดียวหรือที่สุดตระกูลอย่างเดียวหรือกำหนดที่สุดอาบัตและตระกูลด้วยหรือไม่กำหนดทั้งสองอย่างแล้วอัปโลกันสามหนทำกติกานัดหมายให้บอก เพือจะให้พิจุที่ต้องอาบัตเนืองๆสารวมระวังต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รับการสมมุติจากส่งแล้วไปบอกอาบัตชั่วยาคือบัตาสังฆาทิเศษของพิจูการนุสธรรม น, นี้ต้องอาบัติปฏิจตินอกจากได้รับการสมมุติมีอยู่แล้วนะแล้วก็บอกตามสมมุตินั้นก็ไม่เป็นอาบัตในบาลีว่าปาราชิกสี่สังฆาทิเศษจิดสามชื่อว่าอาบัตชั่วยาก็แต่ในอัตถกถาว่าในบาลีนี้กล่างปาราชิก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 หรือบอกอัาจารย์ชั่วยาบคือการล่วงสิกขาบททั้งห้าเบื้องต้นและอัาจารย์ไม่ชั่วยาบคือการล่วงสิกขาบททั้งห้าเบื้องปลายแห่งอนุสัมบัญกดีก็คือผิดศีลห้าเบื้องต้นเบื้องปลายสินสิบของอนุสัมบัญฑ์ธรรมเนีเหล่านี้เป็นทุกกฎบอกแต่วัตถุอย่างเดียวว่าเธอนี้ทําอัสุจิใเคลื่อนเธอนี้เขาคลึงมาตุคามเป็นต้น หรือบอกแต่อบัตอย่างเดียวว่าเธอนี้ต้องอบัติสงฆ์ทิเศตต้องถูดใจเป็นต้นดังนี้ก็ดีนี้ยังไม่เป็นอบัตต้องเชื่อมกันว่าทิศตุรูปนี้ทําอสุจิเคลื่อนเธอต้องอบัตสงฆ์ทิเศตนี้ถึงจะเป็นอบัตหรือปิจูตสมมุติสองกําหนดให้บอกไว้เพียงใดและไม่เกินกําหนดบอกไปตามกําหนดก็ดีงานทิศตูบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัติิตกะฎข้อนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้บอกก็ไม่เป็นเหมือนกัน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 แล้วก็เป็นกิริยาเพราะว่ามีการไปบอกบอกด้วยหัวแม่มือด้วยอะไรแปลแตกก็เป็นเหมือนกันแล้วก็เป็นสจิติกะเป็นสัญญาวิโมกเป็นโลกวัชชะอกุศลจิตเป็นเวทนาอย่างเดียวเป็นทั้งกายกรรมวิชีกรรมเป็นทุกขเวทนาต่อไปสิขาบทที่สิบปะทวีคานณะสิขาบทความว่าที่ตุดัยขุดแผ่นดินเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นขุดเป็นปาจิตติ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 ดินที่เรียกว่าชาติปฐวีนั้นเป็นอกักบิยะปฐวีคือขุดไม่ได้เพกตุใดขุดเองคือทอาําอักปิยะปฐวีนั้นให้กําเริบด้วยการขุดและต่อยและขีดและเผาเป็นต้นเป็นปา จ, จิตีแก่เธอนั้นนับด้วยประโยคเลยไปทําลายขุดหลายครั้งก็ต่อไปปา จ, จิตีหลายตัวเพกตุใดให้ผู้อื่นขุดคือให้ทําให้กําเริบโดยในเช่นว่ามาแล้ว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 ท่านจงรู้หลุมเสานี้ท่านจงให้ดินนี้ท่านจงเอาดินมาเราต้องการด้วยดินจงทำดินให้เป็นกับพิยะดังนี้ก็ดีและไม่แกล้งทำให้แผ่นดินแตกด้วยการกลิ้งต้นไม้เป็นต้นและเอาศีรษะก็คือเอาหัวแม่เท้าเนี่ยขีดดินด้วยไม่มีสติเผลอไปเนี่ยนะและไม่รู้ว่าเป็นชาติปฐวีหรือไม่รู้ว่าตัวขุดดินขีดดินอยู่ก็ดี และพิจูบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัติเป็นอนานติกะนะคือสั่งให้เขาขุดถ้าสั่งด้วยอักขปิยะอุหานขปิยะวาจานี่ไว้ขุดตรงเนี้ยเนี่ยเป็นอนานติกะแต่ถ้าสั่งโดยที่บอกโดยที่ไม่จัดจงอันนี้ไม่เป็นมียงค์สามขับทข้อนี้น่าจะเป็นสารนติกะสั่งให้ทําเนี่ยเป็น มียงศาหก็คือดินเป็นชาติปฐวีหมายถึงเป็นแผ่นดินแท้ไอ้สองรู้อยู่ว่าเป็นแผ่นดินด้วยใอ้สามขุดเองหรือว่าให้ผู้อื่นขุดเพราะฉะนั้นต้องเป็นสานากติกาคันนี้ต้องเป็นสานากติกะให้ผู้อื่นขุดก็เป็นอันใดอันหนึ่งทร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นปาจิตติสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินาธานสิขาบทแปลงใจสุขาบทนี้เป็นปัณติวัชามีจิตสามเวทนาสามอธินาธานสิกาบทก็ เป็นโลกวัชชะแต่สกปัตนี้ข้อนี้เป็นปัณติวัชชะมีองค์สามกันคือกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตแล้วก็เป็นสัจจิกะถ้าทินท า, านเป็นโลกวัชชะข้อนี้เป็นปัณติวัชชะกายกรรมจิกรรมจิตสามเวทนาสามเหมือนกันถ้าสมังจบปัทโมวโคก็จบวักแรกวักต่อไปก็เอาไว้วันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการให้ท่านทั้งหลายได้ศรัาปิติประโมท แล้วก็ได้อบรมตามกวันผ่อนของสมมาขอเจ้าในไตรสิกขาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมระทำตนให้พ้นจากวัตฏทุกโดยทั่วคันด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ